คนหัวลุกหุ่นปั้นอัธิคนตายสำนักสงร้างอาจารย์ส่วนวัดเดียวที่ไม่มีพระรูปไหนอยู่ได้สำนักสงร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านท่าลาตายตำบลท่าฐานอำเภอพนมสารคามจังหวัดชะเชิงเซาซึ่งพระอาจารย์ส่วนปัญญาธโรเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นพระอาจารย์ส่วน เป็นพระที่ได้รับความศรัทธาจากคนในท้องที่เพราะท่านจะเด่นในเรื่องของการสะดเดาะเคราะห์ดูดวงทำให้มีผู้คนที่มีความเชื่อด้านนี้เดินทางมาพบพระอาจารย์ส่วนอย่างไม่ขาดสายพระอาจารย์ส่วนท่านมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านเมตตามหานิยมปลัดขิกและเป็นพระหมอดูที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากซึ่งมักจะมีคนจากต่างถิ่น มาขอให้ท่านดูดวงให้อยู่เสมอในขณะเดียวกันท่านก็จะให้ทําการสะเดาะเคราะห์ด้วยการสร้างพระและรูปเทพองค์ต่างๆชนิดที่เรียกว่าเกือบจะไม่มีที่ให้เดินการสร้างพระสร้างเทพในตอนนั้นไม่ได้มีการวางแผนอะไรมากใครนึกอยากจะสร้างตรงไหนก็สร้างไปการเริ่มปั้นพระและเทพแก้บนเริ่มต้นในช่วงราวๆปีพศ2510 ถึง 2,525 25. นอกจากรูปปั้นเทพก็ยังพบว่ามีรูปปั้นเปรตผีสางต่างๆอีกมากมายในอุทยานหุ่นปั้นจะมีอุโมงดินที่สร้างขึ้นแต่กลับไม่มีทางที่จะเข้าไปได้พบเพียงช่องเล็กๆที่สร้างขึ้นซึ่งสามารถส่งเข้าไปได้ภายในจะมีรูปปั้นต่างๆอีกมากมายพระอาจารย์ส่วนปัญญาธโร แห่งวัดท่าลาดตายชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคม2476อุปสมบทณวัดนามาตูมอําเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีเมื่อพศ2506พระครูพินิจสมาจารย์หรือหลวงพ่อโดวัดนามาตูมเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูใบดีกาทองคำเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการป่านเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอาจารย์ส่วนปัญญาธโรมรณภาพเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2536สิริอายุรวม60ปีและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเทพเจ้าสายเวทแห่งเมืองพนมสารคามเจ้าวาดวัดองค์ปัจจุบันเล่าว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นมรดกตกทอด จากบิดาของพระอาจารย์ส่วนปัญญาทโลอดีตเจ้าวาดวัดท่าลาตายพระเกจิชื่อดังเรื่องประหลัดขิกเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่เนื่องจากท่านเป็นพระที่มุ่งปฏิบัติสมาธิภาวนากระสินสิบชอบสื่อสารกับดวงวิญญาณพูดผีจนทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติกิจของสงฆ์จึงได้ลาสิกขาบทออกมาตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้ด้วยตัวของท่านเองต่อมา พระอาจารย์ส้วนก็ตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นปั้นลู ป, ปั้นต่างๆขึ้นอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นกุมารทองนางกวกักตุ๊กตาเด็กและรูปปั้นอื่นๆอีกมากมายนานวันรูปปั้นก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆจนมีอยู่นับร้อยที่พระอาจารย์ส้วนนั้นได้ปั้นขึ้นมารูปปั้นทั้งหมดจะมีการลงอักขระอาคมไว้เชื่อกันว่า รูปปั้นของอาจารย์ส่วนนั้นทุกตัวมีส่วนผสมของชิ้นส่วนคนตายไม่ว่าจะเป็นผิวหนังของร่างกายคนตายที่สักยันแล้วเผาไหม้จะถูกนำมาเป็นมวลสารในการปั้นและทุกตัวจะมีช่องสำหรับนำอัฐิของคนตายบรรจุใส่ไว้ด้านในหากญาติของผู้เสียชีวิตมีความต้องการอยากจะให้วิญญาณสถิตอยู่ในรูปปั้นเหล่านั้น พระอาจารย์ส่วนก็จะประกอบพิธีบรรจุอัฐิให้จนกระทั่งในปีพศ2536พระอาจารย์ส่วนก็ได้มรณภาพลงตั้งแต่นั้นมาสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็ไร้พระสงฆ์เข้ามาจำวัดหลายครั้งที่ทางวัดให้พระสงฆ์เข้ามาฟื้นฟูสถานที่แต่ก็ไม่เคยมีพระรูปไหนอยู่ได้เล่ากันว่าผู้ที่มาอยู่อาศัยที่แห่งนี้ จะได้พบเจอกับสิ่งแปลกประหลาดลึ ก, กลับชวนพิศวงบางคนก็เจองูยักษ์เลื้อยผ่านหรือได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายเสียงคนพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่ไม่มีใครอยู่เลยจนสุดท้ายจำเป็นต้องปล่อยวัดให้ทิ้งลางไว้แต่ก็มักจะมีคนแอบเข้ามาในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เพราะทั้งรูปปั้นและประหลัดขีดขนาดใหญ่ ต่างเป็นที่จับจ้องหมายตาของกลุ่มคนที่นิยมบูชาเครื่องรางของขังเคยถึงขั้นมีคนลักลอบนำรถเครนเข้ามาหวังที่จะยกประหลัดขิกนำกลับไปบูชาแต่ก็ไม่สําเร็จยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นแม้จะใช้คนนับสิบช่วยกันหาวิธีการต่างๆแต่ในที่สุดก็ต้องลาถอยกลับไปสานักสงรางอุทยานหุ่นปั้นพระอาจารย์ส่วน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราววัฒนธรรมความเชื่อของคนท้องถิ่นปัจจุบันถูกผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศหามีการจัดการและมีการดูแลที่ดีพอน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว กปั้นเหล่านี้ก็พาจารส์วนเป็นคนปั้นขึ้นมาเพราะว่าท่านจะเรียนวิชาอาคมมากท่านกรอนนิมิเห็นต่างๆแล้วก็ท่านจะใส่จิตวิญญาณเข้าไปเหมือนกับรูปปั้น ท, ทุกรูปเนี่ยจะมีวิญญาณมีมีมีชีวิตคือถ้าถ้าเกิดใครมาแตะต้องหรือว่าทำอะไรเนี่ยก็จะมีอันเป็นไปทุกคนองรัตน์ตที่มาอยู่เห็นว่ากลางคืนเ้าจะเจองูใหญ่ๆ เหนพญานาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดมาจะมาทําร้ายมารัทอะไรเงี้ยตอนอนก็นอนไม่ได้ล่าสุดมีชายสติไม่สมประกอบเข้ามาอาศัยหลับนอนอยู่ที่สาราวังแต่ว่าสุดท้ายกลับเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุหลักสิทธิเมีคนต้องการเยอะแ้วก็มีคนพยายามจะมายกแล้วก็ยกไปไม่ได้ปัจจุบันนี้ทุกวันนี้มีคนออกของมาคืนเยอะเพราะว่าเอาไปตั้งแต่อาจารย์ทว่นอยู่แล้วก็ไม่มีความสุขแล้วก็มี ปัญหาอะไรหลายอย่างก็เลยต้องเอามาคืนเห็นมันขยื่นค่ะจากที่อยู่ตรงนี้ขยื่นเหมือนขับไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะหันหน้าไปทางหนูแต่วันนี้มาเจอหันหน้าไปทางนี้ใช่ค่ะ สมผัสสียว